ยกตัวอย่างนะขันห้าหรืออายตนะสิบสองหรือท่าสิบแปดเป็นอย่างนีนะหูได้ยินเสียงเป็นอายตนาไหมเป็นไหมนะลองสิร์ฟดูมเอาว่าซะสูงเลยเอะหูได้ยินเสียงอะไรเป็นอายตนะอะไรบ้างเอาหนึ่งขณะที่หูได้ยินเสียงเกิดโซอายตนะหนึ่งโสตายตนะก็หูสองเสียงดังเป็นสัทธายตนะอายตนะคือเชื่อมต่อใช่ไหมต่อให้เกิดอะไร ให้เกิดโสตะวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นอายตนะไหม <Okay. S 1> เป็นมนาอายตนะทัสสะเวทนาสัญญาเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นธรรมายตนะอายตนะนี้ก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดสัมปติชนะจิตต่ตอไปสัมปติชนะจิตก็ก่อให้เกิดสันติชนะจิตเพราะแต่ละอย่างอายตนะจะต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดสืบต่อนเนื่องกันมาเรื่อยก็เป็นอายตนะ ในอายตนะหูก็เกิดด้วยปัจจัยเสียงก็เกิดด้วยปัจจัยจิต ด, ดวง ต, ต่อไปก็เกิดด้วยปัจจัยนะเพราะทุกสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยมีสาระไห ม, มถ้าเอาชั้นสูงสุดเลยไม่มีสาระหรอกไม่มีนิจจาศาระอยู่ในนั้นเลยแม้สมมติเราฟังธรรมอย่างนี้ถามว่าดีไหมพูดแบบธรรมดานี่ดีมากเลยแต่ถ้าเอาลึกเข้าไปเสียงที่พูดแต่ละคานี้มีสาระหม เที่ยงไหมสาระคือความเที่ยงเสียงไม่เที่ยงสุกไหมตัวเสียงจริงจริงมีความสุกไหมในเสียงเพราะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคือหาความมั่นคงไม่ได้เลยทุก <ใน S 1> สิ่งครับในสิ่งนั้นนั้นหาความมั่นคงไม่ได้เลยเจนพานเราอย่างเช่นว่าอาหารเราปัดใจนี่นะเราดูตัวอาหารนีครับว่ามันมีความมั่นคงแค่ไหนมันมีความแน่นอนแค่ไหนครับตอนจะมาจะไปหรือว่าจะจะออกฤทธิ์ด้วยอาหารเนี่ยมันมั่นคงแค่ไหนครับเจนพา นั้นอย่าง<ม>ชีวิตในเรื่องของหูเนี่ยหูส่วนหนึ่งหรือว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยอาหารใช่ไหมเอาแบบกะพลิงกะราหารเลยในตัวกะพลิงกราหารเองเนี่ยนะถ้าปรุงเป็นอาหารเสร็จถ้าดูแลไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ย<ม>บูนะปล่อยไว้สักสิบกว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยบูดแล้วไอ้อาหารอันนั้นเราไม่ปล่อยให้บูดรีบทานเข้ามาก่อนมันก็มาบูดในเราในกายนี้อีกเพะนั<ม>้นกายนี้จึงเป็นที่สะสมแห่งโลหิ โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเยเนี่ยนั่นแหละก็บอกว่าอะไรที่มันจะเขาบอกว่าในเรื่องของกลิ่นนะไม่มีอะไรที่จะมีกลิ่นเห ม, ม็นเท่ากับมนุษย์เนี่ยเหม็นจรังจน่งเหม็นนึงเคยที่ล่าโอ้โหไม่ได้อาบน้ำมาเดือนกว่าเองคนนั้นน่ะขึ้นมาในรถคันเดียวกันเนี่ยโอ้โหอัเจเียนเลยอ่ะไม่เชื่อนะในแต่ละคนเนี่ยลองถ่ายท้องออกมาดู เลยเนี่ยอย่าบอกใครเลยนะคุณโชว์ น, วนะอั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งพร่องไปในส่วนนั้นนั้นจะจะอยู่ไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวด้วยในแต่ละอย่างหลาะยอย่างเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเมื่ออาหารไม่มั่นคงนะฮะเมื่ออาหารเป็นมีลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะมันมันตัวเองมันเป็นปัจจัยให้กับรูปถูกไหมครับเชื่อพา แล้วรูปมันจะมั่นคงมันจะได้ยังไงครับหรือมัน จ, จะมันมันจะเป็นไปตามอาหารยังไงครับลองยกตัวอย่างนี้ึ่งในเรื่องของอาหารนั้นอย่างเช่นอาหารนั้นนนั้คือคือยกตัวอย่างเช่นยานะอะที่จริงยาก็คืออาหารนั่นแหละยาหนึ่งเม็ดเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็คืออาหารชรูปพอกินเข้าไปนะถ้าฤทธิ์ยาตัวนั้นเนี่ยหมดไปอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างคนไข่บางคนเนี่ยนะอย่างอย่าง ประเภทปวดเนี่ยได้ยาเข้าไปเม็ดหนึ่งเนี่ยโหลดความปวดได้เยอะแต่ถ้าหมดฤทธิ์ยาเข้าไปแล้วเนี่ยโหอย่าบอกใครเลยนแสดงว่าตัวปัจจัยหาความมั่นคงไม่ได้เจนพรถูกไหมเพราะมีอายุของเขาอยู่แต่ที่ของเราที่สืบเนื่องมาได้จนทุกๆวันเนี่ยเพราะเรามีปัใจจัยให้มันทรงอยู่ได้จนขนาดนี้ติดต่อกันมาเจนพรแต่ที่ปัจจัยเหล่านี้ได้ที่ที่อย่างเช่นอาหารปัจจัยจนถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ อาหารปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นอนิสงค์ของกรรมด้วยอาหารเหล่านั้นก็จริงแต่ถ้าไม่มีบุญระดับหนึ่งจริงๆอ่ะแม้แต่น้ํานี่ก็ไม่ได้ดื่มใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องแม้แต่เสื้อผ้าเมื่อกี้กล่าวถึงว่าพระองค์นี้จะได้รับเสื้อผ้าที่หรือผ้าที่เนื้อละเอียดอนิสงค์ก็คือประเภทที่เคยให้ผ้าเนื้อละเอียดเป็นต้นเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเขามีผ้าเนื้อละเอียดแต่เราก็ยังไม่มีผ้าใช้อยู่เหมือนเดิม สมัยนี้เขามีโรงงานผลิตผ้านะผ้าเหลือเฟือคนที่ไม่มีไม่มีบุญพอที่จะได้ใช้ผ้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะคนที่ทุกวันนี้มีโรงงานผลิตผ้าห่มนหนาคนที่นอนหนาวก็ยังหนาวเหมือนเดิมก็ยังทุกเท่าเก่านั่นแหละแต่เคยบางคนเคยอดอยากน้ํากินเคยอดอยากอาหารเหมือนเมื่อเมื่อก่อนอยังไงทุกวันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลย ชีวิตของศาต์จริงๆนะส่วนหนึ่งอยู่ด้วยกรรมจริงๆนะส่วนหนึ่งอยู่ด้วยกรรมจริงๆกรรมด้วยเป็นเหตุให้ให้เป็นปัจจัยแก่ประโยคน้าะริงไปครับเด็กตามชนบทนะไม่ได้ทานอาหารกลางวันของอามาเนี่ยไม่ต้องชนบทนะสมัยเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นบ่อยทุกเกือบทุกวันนะมึงถ้าขี้เกียจเดินไปทานข้าวที่บ้านสองกิโลอ่ะไปกลับกลางวันสองสี่กิโลอัน เกือที่ไปทานเข้าวบางทีไม่มีอะไรจะห่อมากลับกินบ้านนังไงที น, นี้ต่อไปนะว่าเหตุที่พระองค์นี้ได้รับผลทําให้มีบุตรมากก็เกิดจากอันนี้สองประเภททําให้คนนี้ได้พบปะเจอเจอกัน แล้วคนไม่มีบุตรแล้วครับเนะทำกรรมอไะไรไว้ครับคนไม่มีบุตรนี้บางแห่งส่วนหนึ่งก็คือที่พบอย่างโพธิราชกุ ม, มารนี่ก็คือเอาไข่นกเนี่ยไข่นกมาต้มกินทั้งหมดเลยไม่มีโอกาสใ ห, ใ, หให้ให้มันมีลูกออกไปนะทำกรรมประเภทนี้ไว้กินไข่นกห <c oughs> มคามวคก็ทำปลานาทิบาีิครับ ส่วนทังก็คือไข่ไข่ที่ที่มันจะฟักได้ใช่ไหมเราเอามาต้มมาเอามาต้มไม่ปล่อยให้ฟักเลยอ่ะเหตุปัจจัยตัวนั้นอ่ะเป็นปัจจัยให้ให้ไม่มีลูกเลยเป็นหมันไปเลยพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายเจียงกล่าวว่าพระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนําพวกญาติมิตรที่สูญหายพราดาดจากไปนานให้มาพบกันครั้นทําให้เขาพร้อมเพียงกันแล้วก็เชื่นชม เพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพสวยคความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินและยินดีจุติจากเทวโลกแล้วเวียน ม, มาเกิดในโลกนี้ย่อมได้อังคาพยศที่ปิดบังตั้งอยู่ในฝักพระมหาบุรุษนั้นมีพระอรรถมากพระอรรถของพระองค์นี่มากกว่าพันล้วนแกล้วกล้าเป็นวีรบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปีติเกิด และทูลไพ่คำน่ารักแก่พระมหาบุรุษที่ยังทรงเป็นครหอัดเมื่อพระมหาบุรุษทรงผนวดบําเพ็ญพรตมีพระโอรสมากกว่านั้นมากกว่พันอีกล้วนแต่ดําเนินตามพระพุทธพจนะ์ก็อบอกว่าสมัยที่พระองค์ดับขันปรินิพพานเนี่ยพระภิกษุ ป, ประมาณเจ็ดแสนรูปเฉ<ม>พาะพระภิกษุอย่างเดียวนะที่ติดตามพระองค์ในในงานของพระผู้มีพระภาคเนี่เฉพาะภิกษุอย่างเดียวนะประมาณเจ็ดแสนรูป แตาพหัวหน้าคณะใหญ่ๆเนี่ยห้าร้อยรูปอะหักข้าหัวหน้าคณะใหญ่ๆเลยเนะี่ยอันพารลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นสําหรับพระมหาบุรุษที่เป็นครือข่าหรือบรรพชิตไอ้คิดดูนะใช่ว่าธรรมดาอย่างสมัยนี้ภาพประเทศไทยก็ประมาณสองสามแสนรูปอ่ะเห็นไหมก็มีสืบเนื่องมาตลอดอย่างเงี้ยอันโพรสของพระ อ, องค์เนี่ยมีมากจริงๆนะถ้าหากว่าใครอยากได้ลูกเยอะๆก็ต้องนับ พบปะเ จ, เจอกันประเภทเขาพลาดพลาดจากกันนะมีโอกาสให้เขาพบปะเ จ, เจอกันดูความพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักกันเองรู้จักบุรุษรู้จักบุรุษพิเศษ ยังทราบว่าบุคคล น, นี้ควรแกส่สการะนี้บุคคล น, นี้ควรแกส่สการะนี้ดังนี้แล้วทำประโยชน์พิเศษแก่บุคคล น, นั้นๆคเรียกว่ารู้ความพิเศษของคนว่าคนนี้มีความสามารถระดับนี้ช่วยเหลือเรื่องระดับนี้คนนี้มีความสามารถระดับนี้ช่วยเหลือแบบนี้นะเรียกว่าสา ม, มารถที่จะช่วยเหลือคนอย่างอย่างเหมาะสมว่าคนนี้ควรบูชาขนาดนี้ก็ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนะนะอันกรรมนี้ที่ทาในการก่อน ตถาคตก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะคือสามารถที่จะรู้จักว่าเออนี้เป็นพี่นี้เป็นน้องนี้เป็นลุงนี้เป็นป้านี้เป็นอานี้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะควรสักการะควรเคารพระดับนี้ระดับนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะได้ถูกหมดเพราะนั้นกรรมนั้นสังสม พ, พ่อภูนภัยบูนนะก็ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใช่ไหม จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้สวรรค์นี้จุติเรื่อยๆนะฟังแล้วสวรรค์นี่ก็ไม่มีเสถียรภาพมั่นคงอะไรสักอย่าง <c oughs> ใช่ไหมสามกี่พันปีทิพย์ก็เท่านั้นแหละเนาะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงให้ได้ไปสวรรค์เถอะ <c oughs> สวรรค์กลัวจะไม่ได้ไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> บางท่านก็บอกว่าพูดถึงความว่าสวรรค์ปุ๊บสวรรค์ก็ไม่เที่ยงมือนนะ ถ้าพูดคำ ว, ว่าไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็หมวิปัสสนามันเกิดเอาเกิดเอาเขาอยางช่วยหน่อยใช่ไหมสวรรค์ก็ไม่เที่ยงวัจจิทุจริตกอหนักเท่าเก่านั่นแหละกายยศทุจริต ก, ก็ไม่ได้ลดลงเลยอันนี้แสดงว่าพูดทิศเดียงอุ่นเปรี้ยวอ่ะเขาเขาเล่า ว, ว่ามีมีสุนัขตัวหนึ่งไปเห็นต้นอ่ ง, งุนทีนี้ลูกองง่งุนมันอยู่สูงมากก็นั่งมองก็คิดเมื่อไร่อ ง, งุ่นจะตกมาสักทีหนึ่งนะมันไม่ตกมาสักทีหนึ่งไงนะ หมาก็เลยคิดว่าอไอ้งนงอุลูกนี้มันเปรี้ยวมันไม่อร่อยหรอกอะคนที่บุญน้อยๆบางคนก็คิดปลอบใจตัวเองสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเง <c oughs> ินก็คือไม่มีไม่มีโอกาสจะได้ไปกับเขาอะแค้ายกาการไล่ความหวังเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีวิปัสสนาที่มั่นคงมาก <c oughs> เขาจะเห็นความไม่เป็นแกนสารของของสวรรค์เหมือนกันถ้าหากว่า ผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องตามากๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องตาเนี่ยรู้เรื่องโลกทางตาเป็นอย่างดีรู้ถึงความไม่เป็นแก่นสารของจักสุรู้ความไม่เป็นแก่นสารของสีคือรูปารมณ์รู้ความไม่มีสาระของจักขูวิญญาณของภาษาของเวทนาของสัญญาเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ mm. เมื่อไปอยู่ในภพนั้นมีวัตสิ่งเหล่านี้ไหมในสวรรค์มีตามีสีมีจิตเห็นไหมมี mm. มตรงนี้ไม่มีสาระไอตรงนั้นจะมีสาระได้ยังไง เพียงแต่ว่าความประณีตแตกต่างกงันเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราพิจารณาเห็นความปฏิกูลของอาหารถึงไปทานในพัตตา k a n ไอ้อาหารในพัตตา k a n มันก็ปฏิกูลเพราะมันก็คืออาหารเหมือนกันถ้าหากว่าเข้าใจในลักษณะนี้ก็พบใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นจึงไม่มีแกนสารเลยนนะนะกรรมที่ประเภทรู้จักบุรุษพิเศษเนี่ยนะ มาสู่ความเป็นอย่างนี้จะได้มหาปริสลักษณะ ส, สองประการคือมีภวรกายมีปริมณฑลดังต้นใทหนึ่งนะมาตรวจรู้จักรู้จักคนระดับไหนเนี่ยเรียกว่าแบ่งคนถูกแต่ก็ต้องแบ่งด้วยกุศละจิตนะนะคนนี้เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาคนนี้ควรสักการะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะเนี่ยด้วยกุศละจิตจะได้มีภวรกายเนี่ยนะ มีปริมนทนเหมือนต้นไท่เมื่อทรงยืนอยู่ไม่ต้องน้อมผวรกายลงย่อมลูปคล้ำพระชานุทั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองได้น ะ, นะมือยาวมากเลยนะยืนเฉยๆเนี่ยรูปคล้ำเข่าได้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้อ น, นิสงส์พิเศษคือเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก มีทองและเงินมากมีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมีรัพย์และข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์ทีดดูนะแค่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะเจ้าชายสิทธาานเนี่ยขุมรั์เนี่ยสยทิศเนี่ยงอกขึ้นมาด้วยเลยเพื่อที่จะให้ใช้อะ่ะมัน ถ, ถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะหเหมือนอาจะโชติกาเศรษฐีเนี่ยพอบอกว่าจะสร้างบ้านเท่านั้นแหละโอโหพระอินทร์ต้องมาสร้างบ้านให้อยู่เลยอะ่ะมีบุญขนาดนั้น แต่ถ้าไม่มีบุญเนะี้ยไม้อันเดียวก็ไปหาทำนวลนะศอกละร้อยกว่าเลยเลยอย่างนั้นโอ้แพงขนาดนั้นเลยเลยกว่าจะประกอบมาเป็นรักหลังหนึ่งเนี่ยโอ้โหทรมานกว่าไปเช่ายังไงเพาไม่ให้เช่าเอ่าต่อไปนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าคือถ้าออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับอ น, นิสงส์พิเศษคือมีทรัพย์มากมีโภคะมาก พระพุทธเจ้านี่รวยเหมือนกันนะทราบของพระองค์นั้นคือนะถูกไหมของเราลองคิดดูว่าถูกป่ะทราบของพระพุทธเจ้าได้แก่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมมากที่สุดในบรรดาผู้มีศรัทธานั่นแหละศรัทธาสองศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลมากที่สุดในบรรดาศีลทั้งหลายทีนี้โอตปะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ฮิริโอตะปะมากที่สุดสติของพระองค์เนี่ยมีมากที่สุดจาระก็มากที่สุดปัญญาก็มากที่สุดอันพระองค์เนี่ยมีทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมากมายมหาศาลคิดดนะทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาของพระองค์เนี่ยมีมากมายขนาดไหนพระองค์เนี่ยมีศรัทธาในกุศลธรรมใช่ไหมพระธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงมาก็เพื่อก่อให้เกิดกุศลธรรมนะกุศลธรรมนี้สูงสุดระดับไหน กุศลธรรมเนี่ยสูงสุดระดับไหนอรหัตตมักคกุศลนั่นแหละพระเจ้าเป็นผู้ที่เคารพกุศลธรรมมากถ้าหากว่ารู้ว่าใครจะได้บรรลุนะไปโกรดไลยไกลขนาดไหนก็นไปะเพื่อที่จะสง่งเคราะ์เพราะพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพในในธรรมะมากเป็นผู้ที่มีศรัทธาในในเรื่องของกุศลธรรมในเรื่องของทานในเรื่องของศีลเป็นต้น คิดดูว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่รวยเรื่องศีลขนาดไหนจนสามารถบัญญัติพระวินัยให้พระพิสุทั้งหลายปฏิบัติได้เป็นหลายๆพันข้อนั่นแหะเพราะฉนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอนี้ก็เป็นศีลของเธอศีลหนึ่งข้อก็ทรัพย์หนึ่งอย่างอ่ะเมื่อไหรน่นะว่าพระพิสุทั้งหลายท่านเห็นว่าศีลเหมือนกับทรัพย์ของท่านได้นั่นแหละเห็นโอ้โหมีค่ามากมายมหาศาลเลยนะแต่พวกเราทั้งหลายบอกว่ามีศีลห้านะก็มีค่ะมีทรัพย์อยู่ห้าข้อ แต่ของพระถ้านั่งไล่ซับโอ้โหท่านมีซับหนึ่งปาราชิกสี่ท่านได้แล้วซัพย์ข้อนี้ปาราชิกข้อที่หนึ่งขยายอีกประมาณสองหมื่นข้ออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่สี่โอ้มีมีมากสังฆาทิเศษอย่างเงี้ยสังฆาทิเศษแต่ละข้อเนี้ยขยายไปเยอะแยะแต่ละอย่างก็เป็นทรัพย์เป็นซัพย์เป็นซับปาราจิอ่าอย่างนิสสิกยะปาราจิตตีก็สามสิบข้ออันนี้ก็แต่ละแต่ละข้อก็ยังขยายไปอีกขยายไปอีก นั่นก็เป็นรัพย์หนึ่งรัพย์เป็นรัพย์เป็นทรับใช่ไหมปาจิตีเก้าสิบสองเออเงี้ก็ซับติดทุกกฎมากมายมหาศาลก็เป็นซัพย์ทุกภาสิตเหล่านี้ก็เป็นซับทุรจัยแต่ละอย่างก็เป็นทรัพย์คิดสังวรคิดสัมรวมคิดประพฤติตามปฏิบัติตามเมื่อไหร่ขนาดนั้นเนี่ยรัพบเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอันถ้าทรัพย์ไม่บริบูรณ์จริงๆนะถ้าทรัพย์ข้อหนึ่งคือศีลไม่บริบูรณ์ธรรมะประเภทอื่นจะบริบูรณ์ได้ไหม ถ้าศีลไม่บริบูรณ์จิตจะบริบูรณ์ได้ไหมจิตตวิสุทธิ จ, จะไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นแม้แต่สมาธินะซั์ที่เป็นการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณาจารคานุสติทเท ว, วตานุสติพวกเรานี้ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันรัพย์คือสตินะหรือว่าทรัพย์คือคือฮิเรโอตั ป, ปะที่เจริญขึ้นตามละลึกนึกถึงคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นก็เป็นทรัพย์ ใครเคยคิดว่าเอ๊ะกูสตระกิจเกิดขึ้นหนึ่งครั้งปับ๊บเออเนี่ยซั์เกิดขึ้นแล้วคิดอย่างงี้บ่ายไหมถ้าบ่ายก็อนุโมทนาด้วยนะ <c oughs> ก็เรานั่งอยู่ในเนี่ยเราใช้ทรัพย์ที่เป็นมรดกตกทอดมาเป็นทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยสิ่งทั้งหมดอนเนีน่ถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคเป็นเจ้าของซัพย์นะสิ่งเหล่านี้มีไม่ได้เลยแล้วเราคิดด้วยรับสถานที่เนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยนะที่เป็นวัดวาอารามเป็น เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่นะนี่เป็นมรดกจากเสด็จพ่อนะครับและนี่ท่านมีอาหารทานทุกมือเลยเนาะปราณีตมีคนประเคนด้วยถึงเวลาต้องมีคนไปเชิญนะมาทานเสร็จก็มีคนล้างถ้วยล้างชามให้เนี่ยโอ้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของเสด็จพ่อเป็นของใครหรือของท่านเอง พระพุทธเจ้านี่ประธานอนุ ญ, ญาตเอาไว้ใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่อนุญาตเอาไว้ทรัพย์เหล่านี้ก็ก็ไม่มีอันนีค้คือเรียกว่าเป็นอมิทายาชนะถ้าหากว่าในด้านของปัจจัยสี่แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงประทานเอาไว้ให้ใช่ไหมทาให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดสุตะสุตะก็เป็นทซั์อย่างหนึ่ง คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าประทานให้เรามีสุตตะนี่ขนาดไหนพระไตรปิฎกโดยธรรมขันธ์แป0หมสี่พันพระธรรมขันธ์ใช่ไหมฟังแต่ละธรรมขันธ์ก็ซับหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใช่ไหมฟังพระวินัยก็โอ้โหสองหมพันระธรรมขันธ์ฟังพระสูตรก็สองหมพันระธรรมขันธ์ถ้าฟังพระพิธรรมสี่หม่นี่พันพระธรรมขันธ์โอ้เหล่านั้นเป็นซับทั้งหมดเลยนะถ้าหากว่ามองเห็นการศึกษาพระธรรมคําสอน เมื่อไหรเป็นรั์เมื่อไรมองเห็นศรัท ธ, ธาการตามละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นทรัพ์บเจริญแน่นอนเพราะนั้น์ัเหล่านี้เนี่ยบางอย่างก็เรียกว่ารับตันนะเหมือนกันเป็นของที่ทำให้เกิดความปราบปลื้มใจนะเะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่ศึกษาไปนั้นๆในขณะนั้นเนี่ยรัย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้น ซัพย์เหล่านี้ก็มีมูลมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานทรงแสดงทรงบอกทรงเปิดเผยเอาไว้ให้เรามีโอกาสได้ได้เจริญซัพย์อันนี้ได้รับซัพย์อันนี้พผู้ที่มีทซั์เหล่านี้ก็จะไม่เดือดร้อนต่อไปในสังสารวัตรนะแม้ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ทรัพย์คือศรัทธาศีลไปต้นในขณะนี้ทรัพย์อันนี้ถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ซัพย์อันนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ชีวิตต่อไปในสังสารวัต ก็ซับเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความปลื้มใจอะจะจ่ะแล้วเป็นทรับจริงจริงนะเชื่อไหมเพราะฉะนั้นทซับนี่อริยซับนี่เป็นทรับจริงจริงนะไม่ใช่เป็นสํานวนไม่ใช่เป็นโมหานนะไม่ใช่น ะ, ะ, นะเป็นซัพย์จริงๆถ้าทรัพย์ธรรมดาเหมือนกับที่คุณวิลาวันกล่าวเมื่อกี้ใช่ไหมถ้ามีสตังเป็นต้นเนี่ยสามารถที่จะหาอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องปลื้มใจใช่ไหมอะไรที่เราคิดว่าเราปลื้มใจมากถ้าเรามีทรัพย์ทางโลกทั่วไปเนี่เราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้ น, น, นมาได้ เราบอกว่าบ้านเป็นเครื่องปลื้มใจก็อาศัยทรัพย์ที่มีอยู่ไปซื้อบ้านรถเป็นเครื่องปลื้มใจเราก็เอาสตางค์ที่มีอยู welcome. Welcome. Like <ând> <uar> ่ไปซื้อรถเสื้อผ้าเครื่องใช้สอยเครื่องประดับทั้งหลายแหลที่ว่าโอ้โหนี่ทำให้เกิดความปลื้มใจเราก็เอาทรัพย์ไปของเราเนี่ยไปซื้อทรัพย์เหล่านั้นมาไปซื้อเครื่องเปลื้มใจเหล่านั้นมาแต่ผู้ใดที่มีทรัพย์คือรัพพาศีลสุตะจาค้าปัญญาหิริโอตปะเหล่านี้เนี่ยผู้ที่มีทรัพย์อย่างนี้บริบูรณ์ปรารถนาเป็นมนุษย์มหาศาลก็สําเร็จ เป็นครูหบดีมหาศารเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นกษัตริย์มหาสารก็สําเร็จนนะออกคิดดูว่าทําไมเขาเกิดมาอุแว่มาอันนี้เชื้อพระวง์อีกยี่สิบปีเขาจะขึ้นของราชอุแว่มาเนี่ยรู้ละอีกคนหนึ่งอุแว่มาเนี่ยอันนี้เป็นที่ฆ่าเขาต้องชาติเลยทําไมจึงมีความแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะรับมาต่างกันเสเบียงมาแตกต่างกันอ่ะ ทรัพย์ของบางคนเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นยา ม, มาชั้นดุสิตผู้ที่มีทรัพย์เหล่านี้ปรารถนาในสวรรค์แต่ละชั้นก็สําเร็จหรือผู้ที่มีทรัพย์มากๆเนี่ยนะพรหมโลกก็สําเร็จเช่นมีศรัทธาที่จะเจริญฌานมีศีลมีความสังวรสํารวมระวังที่จะรักษาฌานไว้ได้นะมีสุตตะศึกษาในเรื่องฌานเป็นอย่างดี มีจาคสละพิเลได้มีปัญญาในการบริหารในการเจริญพ่อคูณชาณจิตขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเข้าไปสู่พรห ม, มโลกก็ได้นะหรืออรู ป, ปรพรหมก็ได้ถ้าเขามีศรัทธาศินสุตะจาคปัญญาปราธนาโสดาปฏิมักก็สําเร็จสกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักก็สําเร็จอรหัตตมักแบบสุขาวิปสัสสกก็สําเร็จอรหัตตมักแบบวิชาามก็สําเร็จอรหัตตมักแบบอภิญญาหกก็สําเร็จ หรืออรหัตมรรมแบบอสิติมหาสาวก8ปดสิบองค์ก็สาเร็จหรืออรหัตมรรมแบบอัคราสาวกก็สาเร็จหรืออัตหัตมรรคแบบพระประเจกับพุทธเจ้าก็สาเร็จหรือจะเอาอารหัตมรรมแล้วให้ได้สัพพัญญุตญาณก็สาเร็จถ้ามีทรัพย์คือ ส, สัทธาศีลจิรโอตปะสุตะจากปัญญ า, าจะเห็นว่า ทรัพเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ใดมีศีลสูตราจากาพัญญาหิริอตปาเนี่ยนะถ้าสมว่ามีมากมากเนี่ยนะเทียบกับท่านมีเงินเวลานี้นนะสิบล้านเนี่ยนะอืสิบล้านนี่เรื่องจิบจ้อยมากเลยนะเอจะเชื่อไหมละ่ะก็ไอ้สิบล้านเนี่ยนี่ยู่ดีดอกเบี้ยมันลดเลือนนิดเดียวอะทุก <l> <l> คนบ่นอยู่อะทุกวันเนี่ยบันนิดเดียวนะดีไม่เดียวเขาเรียกว่าไอ้ลูกอัปรีใช่ไหมในพระส ภาษาพระพิษเออภาษาพระพสูนรนะเรียกลูกอั ป, ปรีแสดงว่าไอ้ลูกอั ป, ปรีนี่มีมานานแล้วมีมาตั้งสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ทรัพย์เนี่ยหมดไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าเป็นอริยทรัพย์เนี่ยปล้นก็ไม่ได้นะแล้วคิอดอีกอย่างหนึงเลคนที่เขามีทรัพย์อยู่ทุกวันเนี่ย<ๆ>เขาต้นเข้าจริงๆมาจากอะไรถึงแม้ว่ามีสิบล้านอยู่เวลานี้แสดงว่าต้นเข้าเขาต้องมาไม่พ้นศรัทธาศีล สูตรตาจาข้าพัญญาหิริโอตปาแน่นอนต้องไม่อย่างไดอย่างหนึ่งก็ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่จะให้ทานมาทรัพย์เหล่านี้เขาจะมีหรือมีไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าไม่เคยมีจ่าค้ามาก่อนนะไม่เคยให้ทานมาก่อนนะมีไม่ได้หรอกครับนะแน่นอนเขาบอกว่ามีพันหนึ่งลูกก็ป่วยแล้วหมดเมื่อไหร่ก็ลูกก็หายพอดีพอดีต่ อ, <laughs> อไเคยได้ยินนะ <laughs> คนชนบทนี่เยอะเลยมารู้จักหลายคนด้วย <laughs> แล้วก็โหอาบเหงื่อต่างน้ำเก็บเงินได้ตั้งพันหนึงอ่ะลูกป่วยเฉยไปดูหม อ, อไปรักษาจ่ายค่าหมอเบ็ดเสร็จหายหายกลับมาทำงานต่อเก็บเงินอีกพอดีเข้าจังหวะป่วยใหม่อีกหมดพอดีอีกไอตอนหมดตังค์ก็ไม่ป่วยอีกนะเรื่องนี้เรื่องจริงอะ่ะเนี่ยนะเขาชื่อเขาชื่อบัวคำบัวคำบอกหนูไม่รู้เป็นยังไงนะ พอเก็บเงินได้ก็ น, นะมีอันจะต้องใช้ทุกทีเลยนะเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายต้องส่งเงินไปบ้านเดี๋ยวคนนู้นป่วยเดี๋ยวคนนี้ป่วยเดี๋ยวไอ้หนึ่คนนี้ไปมีเรื่องไปหัวไปต่อยกับเขาไปอะไรถูกปรับอะไรเนี่ยนะมีเรื่องตลอดเก็บเงินไม่ได้ทุกทีเป็นเงินจริงๆนะอผู้นะที่ไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นแน่นะเขาบอกว่าถ้า ไม่มีศรัทธาศีลและชีวิตของคนไร้ทรัพย์โลกหน้าโลกต่อๆไปนี่จะไปอยู่กันยังไงถ้าหากว่าเราทั้งหลายนะไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมในขณะนี้ไม่มีศีลคือพอที่จะสังวรสำรวมระวังงดโทษโทษทั้งหลายที่เป็นไปทางกายทางวาจานะไม่มีหิริโอตปะไม่อายชั่วไม่เกรงกลัวต่อทุจริต ชีวิตต่อไปข้างหน้าจะไปอยู่ยังไงถ้าคนไม่มีทรัพย์เราคิดดูนะถ้าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนะไปที่ไหนเนี่ยมันแสนที่จะทรมานที่สุดเลยมันทุกข์อ่ะแม้แต่ท้องหิวเนี่ยไม่รู้จะกินที่ไหนกินยังไงยังไม่รู้เลยจะไปนอนนี่ไปนอนที่ไหนบางทีก็ถูกเขาไล่เหมือนกับสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งครันั่นเองั่นชีวิตของคนที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดเลยนั่นแหละท่านเคยกรรมไหมบาทหนึ่งอะ่ะกรรมแน่นเลยอะ่ะผมอ่เคยอะ่ะ ยี่สิบห้าตะตหรือห้าสิบตะตังกําแน่นเลยค่ารถไงเมื่ออันสุดท้ายเนี่ยนะตอนเป็นเด็กอ่ะกลับบ้านเนี่ยไม่ไม่เด็กแล้วนะก็วัยรุ่นละกลัวมันหายอ่ะสองบาทค่ารถเมยอ่ะโอมีสองบาทค่ารถเมยเนี่ยอ้ยดีเจ๋ทสุดเลยอะยิ้มถ้าเดินเนี่ยมันหลายสิบกิโลอ่ะสองบาทเนี่ยโอมีความสุขที่สุดเลยนั่นแหละ คือบางครั้งมันก็ขาดแคนนะอย่าลืมว่าเรานี่นะจตโนงว่าเรานี่จะต้องมีฐานนะถึงแม้แต่คนมีฐา น, นะเดี๋ยวนี้นะฮะมันไม่แน่นะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับบางครั้งบางโอกาสมีนะครับทั้งท่านี่นมีเงินอยู่ตังเยอะเนี่ยนะครับแต่ขาดแคลนจริงๆตอนหลังเนี่ยเขาว่าจนจนชินอะ่ะเป็นไงครับจนจนชินเขาบอกว่าไม่มันไม่มีอะไรที่จะจนขนาดนี้อีกละก็เลยนึกว่าเออใช่ว่าเราเนี่ยตกถึงที่สุดแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่า อาหารก็บินธบาตฉั้นเอานะ ม, มันก็คือขอแปลว่าขอทานกินละเห่นไหมบินธบาตบินดาก็คือตกใจแต่ในบาตเห็นไหมก้อนบินดาของก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นซึ่งก้อนข้าวเนี่ยนะถ้าขอทานยังจะเอ่ยปากไหมพระไม่เอ่ยให้ก็ให้ไม่ให้ก็แปลว่าไม่ได้เอาเนี่ยอาหารบินธบาตสองที่อยู่อาศัยบอกโคนไม้เป็นอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าได้เสนาสนะกุฏิเป็นต้นถือว่าราบเหลือเฟือปกติอยู่โคนไหมยายาก็คือสมอดองเป็นต้นที่แช่ด้วยน้ํำมูดเน่าที่สุดชันแบบนั้นชันได้แล้วก็สบายแล้วและอย่างหนึ่งยาอยาก็กล่าวไปเมื่อกี้ผ้าผ้าบางสกุลผ้าผ้าที่เขาห่อศพเป็นต้นเอามานุ่งหอมหน้านี่ว่าถือว่าที่สุดแล้วใช่ไหม ถ้าหากว่ายุคนี้นะบอกทําใจว่าจะไปไหนจะเดินไปก็ได้ไม่ไม่ในหนกไม่ในห่วงอะไรเเดินไปก็ได้นะไม่รู้สึกว่าแหม้อ ย, ยเนี่ว่าตามใจเลยนะพอแล้ว<อ><อ>จนถึงที่สุดแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะที่จะน่าเป็นห่วงแล้วส่วนที่เหลือก็สแสวงหาอริยทรัพย์อย่างเดียวน ะ, <c oughs> ะแล้แสวงหาศรัทธาทํายังไงจะมีศรัทธาในกุศลธรรมมากขึ้นวันนี้กุศลจิตเราเกิดระดับนี้ทํายังไงจะพอกพูนขึ้นมากกว่านี้ได้ใช่ไหม อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้ทํายังไงจะ ส, ะสีรักสังวรเราจะบริบูรณ์มากขึ้นตรงไหนที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์จะให้บริบูรณ์มากขึ้นทําอย่างไรสมาธิกุศลเป็นต้นจิตใจที่ยังไม่มั่นคงห่างเหินในพุทธคุณธรรมะคุณสังฆคุณทํายังไงจิตใจจะแม่นแน่นแฟ้นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําอย่างไรจึงจะแน่นแฟ้นในคุณของพระธรร ทำอย่างไรจริงจะแน่นแค้นในไอ้แน่นแฟ้นในคุณของประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามปฏิปทาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้นี้ทำยังไงสุดตาของเราจรึงจะเกิดมากขึ้นที่จะรู้ซึ่งในพระธรรมคำสอนมากขึ้นหลังก็เหลือแต่สแสวงหาอาริยทรัพย์อย่างเดียวบายเลยอ่ ะ, ะเศรษฐกิจตกไม่รู้สักอย่างน้มันขึ้นราคาไม่รู้สักอย่าง